ได้เพิ่งเข้าใจเราเป็นชาวพุทธเราหมกกายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมต่อพระสงฆ์เราจึงได้เอาตัวเข้ามาบวชหรือจึงได้น้อมกายน้อมใจเข้ามาปฏิบัติธรรมคือมาพยายามปฏิบัต ตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็เคยพูดอยู่แล้วว่าเพียงแค่แสดงความนับถือเฉยๆนะั้นมันไม่ได้ผลเท่าที่ควรเมื่อนับถือแล้วต้องลงมือปฏิบัติเพราะจุดมุ่งหมายของพระพุทธเจ้านะันนะเพราะองค์มีพระประสงค์ที่จะ แนะนำชักจูงให้พุทธบริษัทนั้นภาคเพียรพยายามละกิเลสออกจากจิตใจของตนของตนไม่ใช่อย่างอื่นใดก็มุ่งหมายของพระพุทธเจ้าเนะเมื่อพระพุทธเจ้าไม่บังเกิดขึ้นในโลกมนุษย์เราไม่มีอุบายปัญญาที่จะมาละกิเลสได้ เราต้องตกเป็นทาสของกิเลสปาฏธรรมอย่างนั้นแล้วก็ไปเสวงหาที่พึ่งอันผิดผิดไปเพราะว่าเมื่อไม่มีผู้เธบเจ้าบังเกิดแล้วหมู่มนุษย์มันก็นับถือเทวดาใครระบุชื่อของใคร ก็เป็นผู้วิเศษออกมาก็สอนให้คนนับถือไปตามใครเห็นว่าพระวิษณุวเป็นผู้ประเสริฐอะไรจำนองนี่นะพระนาลายาพระอินทร์พระพรมต่างต่างพวกนี้คนสมัยที่พระพุทธเจ้าไม่บังเกิดขึ้นในโลกแล้ว คนก็รู้เพียงแค่นี้แหละรู้ว่าท่านเหล่านี้นะเป็นผู้วิเศษสามารถบรรดาลความสุขความเจริญให้แก่บุคคลผู้เคารพนับถือบูชาบวงสรวงให้ได้ตามประสงค์คนส่วนมากเมื่อไม่รู้แจ้งในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว มันก็มองเห็นแต่ความสุขชั่วคราวนั่นเอกานว่านับถือพระเจ้าบนสวรรค์หรือนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นมาโดนบรันรดาลให้ตนทรมาค้าขายร่ำรวยหาเงินหาทองได้คล่องแค่วมีเกียรติมียศเมียมนาฏตาชศนาคุางหมายของคน สมัยที่ไม่มีผู้เจ้านั้นอมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าไม่รู้จักความสุขที่สูงขึ้นไปกว่านี้ไม่รู้เลยรู้แต่ความสุขอันเป็นพื้นพื้นของมนุษย์เรานี่แล้วก็ความสุขของเทวดาเพราะว่าพวกฤาษีสมัยนั้นนะสอนให้คนนับถือเทวดาอินพรหมเขาก็เชื่อตาม แทนที่ว่าเขาจะผู้เป็นอาจารย์สอนนั่นให้นับถือพระอินทร์พระพรหมนั่นแทนที่จะสอนให้เขารักษาศินห้าคมวบทิพอะไรโมนี่จึงจะได้ไปอยู่กับพรหมหรือกับพระยาอินทกลับไปสอนให้เขาสร้างโรงบูชายันขึ้นค่าแพะค่าแกะบูชาพระอินทร์พระพรหมเข้าไป นี่เรยว่ายุคนได้ททำบาปนะต้องให้เข้าใจไอพิธีกรรมต่างๆเหล่านั้นนะมันถึงยืดเยื้อมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีหมู่มนุษย์ก็ยังทำพิธีบวงสรวงกันอยู่หัวหมูหัวอะไรเป็ดไก่มได้ถึง้วดู เส้นบวงสรวงกันมาแล้วสัดเหล่านี้ตายเนตรนองนี่แหละต้องให้เข้าใจเพราะฉะนั้นการที่เราได้มานับถือพระพุทธศาสนานี่ก็จึงชื่อว่าเป็นวัฒนานาบุญของเราอย่างสูงที่เราได้มารู้จักหนทางออกจากทุกข์โดยตรงไม่ต้องอ้อมค้อม อันความทุกข์ทั้งหลายที่มนุษย์แสัตว์ทั้งหลายได้เสวยอยู่นี่มันก็เกิดจากการทำบาปทำกรรมอันชั่วล่ายนั่นเองเนี่ยไม่ใช่อื่นไกลอะไระเพราะมันเข้าใจผิดคิดว่าทำอย่างนั้นมันไม่เป็นบาปเป็นกรรมมันก็ทำลงไปอย่างนี้เนี่ยเช่นอย่างฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบุญเนี่ยคนบางพวกไม่ได้สะทกสะท้านเลยหรอก นึกว่าเป็นอาหารหล่อเลี้ยงร่างกายแล้วก็ค่ากันไปต้มแกงกินกันไปอยู่นั้นแหละไม่ได้นึกว่าเป็นบาปเป็นกรรมอะไรอย่างนี้แหละนึกว่าความไม่รู้แจ้งในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมันเอาตัวรอดจากทุกข์ไม่ได้เลยคนนะํา จนทำบาปอยู่ก็ไม่รู้ว่าตนทำบาปอย่างนี้นะนี่แหละความหลงของคนเราอ่ะเห็นบาปว่เป็นบุญไปอบางรายก็ว่าโอ้ไปฆ่าเป็ดฆ่าไก่แล้วทํามาหารอร่อยไปถวายพระได้บุญหลายเอนยงกันไปอย่างนั้นก็มีนี่เราคิดดูความหลงของมนุษย์เราอออ่ะ แต่ที่จริงแล้วมันษย์ได้ทั้งบุญทั้งบาปนั่นแหละอบุญก็ได้อยู่หรอกแต่บาปก็ได้แบบนี้นั่นเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็ไม่ใช่หนทางพ้นทุกข์แล้วการทําบุญทําทานอย่างนั้นอก็ไม่ควรที่จะไปดำริอย่างนั้นเพราะว่าพระในท่านก็ไม่ได้เรียกร้องเอาอาหารอะไรต่ออะไรกับใครมาฉันเลยท่านก็ถือทันตุสีตามมีตามได้มีอย่างไร ถ้าเก็พิจารณาถ้าเห็นว่าพอฉันได้ก็ฉันไป <c oughs> ไม่ได้ไปเรียกร้องเอาอาหารอันประณิ์บรรจงอะไรกับใครมาฉันเลยนี่พุทธบริษัทภทยยกทา ย, ยิกาควรจะเข้าใจความมุ่งหมายของพระสงค์ในพุทธศาสนานี้ให้ถูกต้องแล้วก็จะไม่ได้ คิดอย่างนั้นต่อไปเพราะการทำบุญทำทานนี่มันจะมีอนอิสงส์มากนะมันก็ต้องประกอบไปด้วยองค์สามหนึ่งผู้ให้ทานนั้นก็ต้องเป็นบูมีสินยางต่ำก็สินห้าให้บริสุทธิ์เป็นอย่างนั้นสองทายทานนั้น ต้องหาเอาโดยทางชอบทำรรชอบสินอย่าไปหาเอาในทางผิดสินผิดธรรมมาให้ทานสามผู้รับทานก็เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งสินซึ่งธรรมอันดีงามเป็นผู้ไม่ทำความชั่วเป็นผู้มีใจสงบระงรับ จากกิเลสป่าปรรมถ้าประกอบไปได้วยองค์สามอย่างนี้การให้ทานของบุคคลพวกนั้นก็ย่อมมีผลมากมันเป็นยังไงมันมีมัน ม, ม, นมีเครื่องประกอบเหมือนกันนะมีองค์ประกอบเหมือนกันทําบุญกุศลที่จะมีผลมากเนี่ยไม่ใช่ว่าทําไปยังไงมันก็ได้ผลมากเท่ากันนั่นแหละ อันนั้นเป็นความเข้าใจผิดของคนอุปามามันยังคนปลูกพืชลงในดินถ้าปลูกลงไปแล้วไม่ถอนหญ้ามันไม่ใส่ปุ๋ยไม่ลดน้ำมันอย่างนี้น ะ, ะปล่อยให้มันขึ้นตามยถากรรมอย่างนี้ลองวาดภาพดูมันจะได้ผลแค่ไหนอนันนะี้ธรรมดาการปลูกฝังที่มันจะมีผลได้เต็มไม่เต็มหน่วย ก็พราะต้องทําให้ครบระเบียบของมันอย่างที่ว่านั่นเนี่ยไอใการทําบุญกุศลก็เหมือนกันนะถ้นจะมีผลมากมันก็ต้องประกอบไปได้วยองค์ค่าคุณสองอย่างสามอย่างหรือสี่อย่างขึ้นไปนู่นอย่างนี้แหละแต่ข้อสาคัญก็อย่างที่สี่นั้นก็ได้แก่ ผู้เป็นเจ้าของทานเมื่อตนให้ทานเวลาจะให้ทานก็มีความชื่นชมยินดีในทานการกุศลของตนเมื่อได้น้อมเข้าไปถวายแก่ผู้รับก็มีความยินดีหลังจากถวายทานมาแล้วก็ยิ่งมีความยินดีมาเมนึกถึงความดีที่ตนทํามาก็ได้ปีติปราโมทย์ในใจอย่างแรงกล้า นี่มันต้องประกอบไปด้วยองค์กรคุณเหล่านี้การทำบุญทำทานนะ่ะมันก็จึงมีผลมากมันมีผลมากเพราะมีอุบายคิดนึกพิจารณาให้เกิดปีติความอิ่มใจในความดีที่ตนทำนั้นนี่มันมันต้องเป็นอย่างนี้การทำบุญที่จะได้บุญมากนะต้องประกอบไปด้วยองค์กรคุณดังกล่าวมานั้นเพราะฉะนั้นแหละ ก็ต้องเรียนไว้ต้องจำเอาไว้ในเรื่องการทำความดีนี่นะไม่ว่านักบวชไม่ว่าคารื้นหัดอก็ทุกคนก็ต้องการบุญนะบวชมาก็บวชมาสั่งสมบุญอย่างนี้แหละแต่ว่าการสั่งสมบุญของนักบวชมันก็ไปอีกแบบนึงเหมือนกับชาวบ้านบ้างไม่เหมือนบ้างอย่างนี้แหละ เป็นการให้ทานนี่เหมือนกันแหละกับชาวบ้านถ้ามีวัตถุสิ่งของอะไรมาอาัศิรรย์กาบอะไรมาควรจะแบ่งให้แกใครต่อใครแบ่งไปด้วยมิจิตเมตตา อ, อ, อันนี้ก็เรียกว่าให้ทานเหมือนกันถ้ามีให้เราก็ให้ไปถ้าไม่มีก็ไม่ให้แต่เราก็ให้อภัยทานแบบนี้นะ ถ้าไม่มีวัตถุทานก็ให้อภัยทานใครมาล่วงเกินตนมาแสดงกิริยาหยาบโลนต่อแทนที่จะโกรธเราไม่โกรธเราให้อภัยเขาไปยกโทษใหเ้เราไม่โกรธตอบนี่เรียกว่าอภัยทานหรือควรที่จะเอาโทษฟ้องร้องขึ้นลงขึ้นศาลให้เขาไป เสียเงินเสียทองหรือติดคุกติดตารางอย่างนี้เราก็ไม่เอาเรื่องเอาโหสิกรรมให้ไปขอให้เลิกแล้วแก่กันไปนี่อภัยทานนี่มันสูงกว่าวัตถุทานต้องให้เข้าใจเรื่องทานให้มันลึกซึ้งพวกคนไม่มีอภัยทานนี่แหละมันถึงชอบทะเลาะวิวาดกันบ่อยๆ เพราะว่าเมื่อฝ่ายหนึ่งมันร่วงเกินอีกฝ่ายหนึ่งเขาแล้วฝ่ายที่ถูกร่วงเกินไม่ยอมให้อภัยมันก็ได้ทะเลาะกันถ้าฝ่ายที่ถูกผู้อื่นร่วงเกินแล้วยกโทษให้อภัยไม่ตอบโต้ต่อไปเรื่องทะเลาะวิวาทมันก็ไม่มีเลยอย่างนี้แหละเหตุนั้นอภัยทานนี่จึงชื่อว่าเป็นทานชั้นสูง มันก็ต่อไปจนถึงศีลนู่นเลยเมื่อมีอภัยทานแล้วก็มีศีลแลยเอเอนี่อย่างอ่าไปเห็นสัตว์ที่ควรจะฆ่าก็ไม่ฆ่ามันออสัตว์ที่มีทิศอย่างว่าตะเค็บตะขาบมแมลงปองบงูบอะไรมาเนี่ยมันจี้มันกัดเข้าไปแล้วก็ไม่ทําลายมันให้อภัยมันไปอื สำหรับผู้มีศีลมั่นคงก็ต้องเป็นอย่างนั้นผู้ศีลไม่มั่นคงก็อกเอ้ยสัตว์นี่มันมีพิษอย่าเอามันไว้เลยอืก็ไปอย่างนั้นนี่อย่างนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องอภัยทานเนี่ยจึงชื่อว่ามันทําให้คนเรามีศีลอย่างยิ่งทีเดียวเป็นปรมาัาถศิลไปได้เลยอืเป็นปรมาถศิลแม้ตนจะตายก็ช่าง แต่อย่าไปทำลายสัตว์ที่มันเป็นศัตรูต่อตนนั่นเป็นประมาธศิลศิลอย่างยิ่งเลยวัาเดียวเมื่อเป็นผู้มีศิลอย่างนั้นมันก็มีใจอันสูงส่งมันก็เปลี่ยมไปโดยเมตตาการุณามีคุณธรรมบางเกิดขึ้นในใจทันเรวศีล า, านุสติระลึกถึงศิลเป็นอารมณ์ เม่รา ล, ลึกถึงศินเป็นอารมณ์อย่างนี้เพ่งเข้ามาภายในนี่บอกว่าตัวสินทแท้ๆมันก็คือตัวจิตนี่แหละตัวจิตที่ตั้งเจตนาวิรัติละเว้นจากกรรมันชั่วทั้งๆนี่นี่ตัวศินมันอยู่ตัวจิตเจตนาวิรัตละเวน้นเพราะฉะนั้นตัวศินไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่อย่างอื่นใดออตัวจิตนั่นเองเนี่ย เมื่อเข้าใจว่าตัวสินแท้ๆแล้วก็คือดวงจิตนี้อย่างนี้เราจะตรวจดูสินของตนก็ตรวจดูจิตนั้นเมื่อเห็นจิตมันตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมตั้งมั่นอยู่ในเมตตากรุณาไม่คิดเบียดเบียนใครตัวใครแล้วก็ถือว่าเป็นผู้มีสินนี่นั่นนี่ผู้เห็นว่าตนมีสินอย่างนั้นก็จะได้ปีติปลาโมทในใจ จะได้ความอิ่มใจว่าตนนั้นไม่ได้ทำชั่วใส่ตัวเองแล้วก็ไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนอย่างนี้แหละเมื่อมีปีติปราโมทย์อย่างนั้นแล้วมาสำรวมปีติอันนั้นลงไปเพ่งปีติอันนั้นลงไปเมื่อปีติระงับลงไป ใช่ก็รวมลงเป็นหนึ่งได้แบบนี้ถ้าหากว่าไม่ระ ง, งับปีติเนี่ยไม่ได้แล้วจิตมันจะฟุ้งซ่านไปเพราะปีติถ้ามันแรงเข้าไปแล้วมันทำให้จิตฟุ้งซ่านได้เหมือนกันนะเองั้นเพราะฉะนั้นเมื่อทำปีติให้เกิดแล้วก็รู้เท่าปีติอีกทีนึงไม่เพิดเพลินไปตามมัน เมื่อไม่เพิดเผดไปตามมันทำความรู้เท่าก็ปีติก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเตือนตนให้รู้เท่าปีติอย่างนี้แล้วไม่ใส่ใจพยายามน้อมใจลงสู่ความสงบนั่นเมื่อปีติมันระ ง, งับไปจิตใจก็รวมลงเป็นหนึ่งได้แบบนี้นั่นเรียกว่าเรารวมเอาบุญเอาคุณต่างๆไว้ในใจหมดเลย ใจถึงค่อยสงบเป็นหนึ่งลงได้ถ้าบุญและคุณนี่ไม่บังเกิดขึ้นในดวงจิตได้แล้วจิตสงบลงไม่ได้เพราะว่ากิเลสมันจะต้องมาหุมห่อใจถ้าหาว่าใจนี่ปราศจากบุญคุณนั้นความดีต่างๆแล้วนะมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นให้พึ่งพากันเข้าใจเรื่องภาวนา เรื่องภาวนานี่ถ้าถ้าแปลเป็นภาษาไทยจริ ง, รงแล้วหมายความว่าพยายามทำคุณงามความดีให้เกิดให้มีให้เจริญขึ้นในตนยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่คำว่าภาวนาน่มีความหมายอย่างนี้เพราะฉะนั้นการที่บุคคลจะทำบุญกุศลทำ ความดีอันใดได้ก็ต้องมาใช้ความคิดซะก่อนเพาเราจะทํายังไงมันจึงเป็นบุญเป็นกุศลเมื่อดํำลิดตรีตองไปก็มองเห็นช่องทางที่จะให้เป็นบุญเป็นกุศลขึ้นในใจเมื่อมองเห็นช่องทางแล้วก็ลงมือทําไปเมื่อทําไปตามนั้นแล้วเมื่อก็ มองเห็นผลดีได้เลยแบบนี้ออย่างเช่นว่ามานั่นแหละไปเห็นสัตว์ที่ควรจะฆ่าก็าไม่ฆ่าให้อภัยมันไปไปเห็นสิ่งของที่เขาหลงลืมไว้อควรจะอําเอาของเขาไว้ก็ไม่เอาโฆตรนาส่งเจ้าของคืนไปอไปเห็นเมียเห็นผัวของใครที่สมควรที่จะประพฤติ มิดช้าจานกรรมได้ก็ไหมก็พึดเพราะมันเป็นเรื่องเลวรามสำหรับวันดิตทั้งหลายท่านเห็นว่าเป็นเรื่องเลวแบบนั้นนะแล้วก็เป็นผู้มีสติสํารวมว่าจะเสมอเสมอไปพยายามรักษาเจตนาในใจนั้นให้มันสม่ำเสมอไปเรียกว่าเจตนาดีเรื่อยไป เจตนาไม่คิดเบียดเบียนใครไม่คิดหลอกลวงใครไม่คิดช่อกงใครอย่างนี้นะเมื่อเจตนาดีมีอย่างนี้แล้วการกล่าววาจาอะไราออกมามันก็ไม่เป็นเรื่องหลอกลวงไม่เป็นเรื่องช่อโกงการกล่าววาจาในไปก็ไม่ทําให้คนเห็นผิดเข้าใจผิดไปจากความเป็นจริงนี่มันต้องรักษา วาจาคำพูดนีเสมอเสมอไปอย่าให้ผิดให้พลาดไป น, นั่นไน้ำดองของเมาทั้งต่างสุราเมลยัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนต่างๆหัวนี้มันก็เป็นของเสพติดให้โทษเมื่อบุคคลพิจารณาเห็นโทษของมัน ด้วยปัญญาแล้วมันก็เว้นเลยอะไม่อยากไม่ปรารถนามันเลยถ้าไม่ได้พิจารณาเห็นโทษของมันก่อนแล้วชนี้มันก็เว้นไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะอันนี้แหละก็เรียกว่าภาวนาภาวนาเพื่อบำเพ็ญกุศลให้เกิดขึ้นในใจแล้วก็เพื่อละอกุศลออกจากกิจใจ เมื่อกุศลบางเกิดขึ้นในใจแล้วเพ่งใจเข้าสู่ความสงบใจก็สงบลงได้เพราะว่าเมื่อบุญเกิดขึ้นในใจแล้วนี้ใจมันอิม่มเหมือนอย่างเราได้รับประทานอาหารอิ่มแล้วนี่แหละมันก็ไม่หิวไม่อยากในขณะนั้นนะอันนี้ก็เช่นเดียวกันเมื่อเราชำระสาสางอารมณ์ในจิตนี้หมดไปแล้ว จิตปล่อยวางอารมณ์ต่างๆได้แล้วอย่างนี้นะจิตก็ว่างนะจิตว่างจากอารมณ์อย่างนั้นแล้วมันก็อิม่มอิ่มอยู่ในความสงบเพราะว่าความสงบนี่มันเป็นสุขเมื่อใจสงบลงไปแล้วก็รู้ตัวได้ว่าตนเป็นสุขสบายดีไม่กังวลหนนะ้าไม่กังวลหลังอะไรเลยเนี่ย เหตุนั้นมันถึงอิ่มเพราะว่ามันมีความสุขถ้าหากว่ใจไม่สงบนี่มันมีตัณหาชักจูงให้อยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้ไปมันก็วุ่นวายไปละจิตนี่นะไม่ไม่มีความสุขหรอกมันหิวอ่ะเมื่อมันหิวแล้วมันจะเป็นสุขได้ยังไงอ่ะนั่นแหละเพราะฉนั้นจึงควรทําใจให้สงบลงไป เพื่อตัณหามันจะไม่ได้ครอบงามจิตมันจะไม่ปั่นจิตให้คิดให้เดือดร้อนไปต่างๆนา น, นาทุกคนก็พึ่งเข้าใจต้องาพาเพียนพยายามอย่าสักแต่ว่าทำเล่นๆไปทำพอขอไปทีออย่างนี้นี่มันไม่ได้เรื่องเลยนั่งสมาธิภาวนานี่คนนั่งจริงๆเพ่งลงไป ถ้าหากว่าจิตนี่ยังไม่สงบลงไปแล้วก็ไม่หยุดเพ่งไม่หยุดเพ่งมันอยู่นั่นแหละหายใจเข้าก็กำหนดละอารมณ์ต่างๆหายใจออกก็กำหนดละความคิดความนึกทั้งหมดไม่ไม่คิดอะไรไม่ปรุงอะไรมุ่งมุ่งหน้าแต่ให้ใจสงบลงเป็นหนึ่งเท่านั้น นี่เรียกว่าเราเราทำความเพียร น, นะเพียรเพื่อให้ใจมันสงบลงเบื้องต้นนี่นะเมื่อใจสงบลงได้ที่แล้วอย่างนี้ก็เพียรเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นอย่าไปติดอยู่แต่ความสงบนั้นอย่างเดียวถ้าไปติดอยู่แต่ความสงบเท่านั้นปัญญาก็ไม่เกิดอันนี้ก็ไม่สามารถที่จะรู้ธรรมของจริงได้นี่แหะ ดังนั้นเราต้องหัดคิดหัดพิจารณาเมื่อจิตสงบตั้งมั่นลงไปแล้วพิจารณาอะไรมันก็เห็นแจ้งอันนั้นถ้าจิตสงบแล้วนะจิตตั้งมั่นด้วยดีแล้วมันเป็นเงินนึกถึงของไม่เที่ยงอันมีอยู่ในร่างกายอันนี้มันก็เห็นชัดว่าร่างกายนีไม่เที่ยงจริง มันแปลกวนไปเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไปนึกถึงทุกข์ขังความทุกข์ของชีวิตของขันห้าอันนี้มันก็เห็นแจ้งชัดตามเป็นจริงนนเห็นว่าขันห้านี่มันทนได้ยากทนลำบากจริงๆต้องประครบประงมต้องหาปัจจัยสี่มาเลี้ยงมันอยู่งั้นนะหาข้าว อาหารผ้านุ่งผ้าหม่มที่อยู่ที่อาศัยยุกยาแก้โรคภัไข้เจ็บต่างๆหมดนี้นะต้องเอามาบำรุงมันอยู่อย่างนั้นนะมันจึงพอประทังอยู่ได้ถ้าขาดปัดจจัยเหล่านี้แล้วร่างกายนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้เลยแต่ถึงแม้ว่าเราจะบำรุงมันขนาดไหนก็ตามมันก็ตั้งอยู่ไปได้ชั่วระ ย, ยะหนึ่งเท่านั้นแหละเมื่อมันหมดเหตุปัจจัยอันที่ตามมา ตกแต่งให้เกิดเป็นรูปเป็นนามนี่ขึ้นมานั่นนะ่ะได้แก่บุญและบาปนั่นนะ่ะเมื่อมันหมดบุญและบาปนั้นลงไปแล้วมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้เลยรูปนามนี่มันก็ต้องแตกดับทําลายลงไปดังนั้นปัญญาก็สอนใจเสมอว่าจึงไม่ควรถือมัน่นว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็ น, นตนการทไปถือมั่นไว้นั่นก็เป็นทุกข์ันี้ เป็นทุกข์เดือดร้อนในเวลาที่ร่างกายนามรูปวันนี้มันไม่บัดแ ป, ปรผวนไปก็เป็นทุกข์เดือดร้อนแล้วถ้าเราสอนใจให้ปรองให้วางไว้ตามสภาพมันจะเป็นไปไงก็เรื่องของมันเราบังคับมันไม่ได้เมื่อบังคับไม่ได้ก็วางไว้ตามสภาพของมันไม่ต้องเสียใจไม่ต้องดีใจอะไรเลยแหละจิตนี่ต้องให้เป็นกลางต่อขันห้าอยู่งั้น สอนใจให้ปรงให้วางมันเลื้ยไปอยู่งั้นเนี่ยรักษาใจอย่าให้มันยินดียินร้ายกับนามกับรูปอันนี้ได้อันนี้แหลเป็นทางมัตสิมาปฏิปทาเป็นทางพ้นจากทุกข์ภายในวะตะสงสารดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้